พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สิบห้าจังกีสูตรสูตรว่าด้วยจังกีพราหม์พระผู้มีพระภาคสเสด็จจาวริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จแวะพักณ ห, หมู่บ้านพราม์ชื่อโอปาสาทะประทับณป่าไม้สาละอันเป็นที่ทำพลีกรรมแด่เทพด้านเหนือของหมู่บ้านพราม์นั้น สมัยนั้นจังกีพราหม์ครอบครองหมู่บ้านพราหม์ชื่อโอปาสาทะซึ่งพระเจ้าเะเสนที่โกศลพระราชทานให้ครอบครองจังกีพราหม์เห็นพรามหม์เรหบดีเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นกลุ่มๆถามทราบความก็จะไปบ้างแต่ก็ถูกพวกพราหม์ชาวต่างถิ่นที่ไปในที่นั้นคัดค้านจังกีพราม์ก็โต้ตอบเช่นเดียวกับโสทันทพราหม์ ในที่สุดได้ไปเฝ้าในที่เฝ้านั้นมีมานบหนุ่มคนหนึ่งอายุ16กชื่อกาปฏิกะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเวททั้งสามพร้อมทั้งคัมภีร์ประกอบพูดสอดแทรกการสนทนาระหว่างพระผู้มีพระภาคกับรามผู้ใหญ่เมื่อตรัสให้รอก่อนก็าหาทางไล่เลียงเป็นการลองดีเพื่อให้จำนวน เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเปิดโอกาสจึงทูลถามปัญหาเป็นข้อๆคือ 1. พวกพรามเชื่อถือบทแห่งมนโดยอ้างตำราว่านี้เป็นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะจะทรงเห็นอย่างไร 2. ด้วยเหตุเพียงเท่าไรชื่อว่ามีการรักษาสัจจะ 3. ด้วยเหตุเพียงเท่าไรชื่อว่ามีการตรัสรู้สัจจะ 4. ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ชื่อว่ามีการบรรลุสัจจะในข้อหนึ่งตรัสย้อนถามให้ยอมรับว่าไม่มีใครเลยในพวกพราหมณ์และครูบาอาจารย์ของพราหมณ์ที่ยืนยันว่าตนรู้ความจริงเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดมีธรรมะห้าอย่างคือความเชื่อความพอใจ การฟังสื บ, สบมาการตรึกตามอาการความชอบใจเพราะตรงกับความเห็นของตนธรรมะเหล่านี้มีผลสองประการคือสิ่งที่เชื่อเป็นต้นนั้นอาจไม่จริงก็ได้อาจจริงก็ได้จึงไม่ควรยึดตามความเชื่อเป็นต้นว่านี้แหละจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะข้อนี้ไม่เชิงปฏิเสธศรัทธาหรือความเชื่อ แต่นิยมให้รู้แจ้งประจักษ์มากกว่าใช้หลักเพียงเชื่อผู้อื่นหรือชอบใจว่าถูกกับความเห็นของตนเป็นต้นในข้อสองเรื่องการรักษาสัจจะตรัสว่าให้รักษาสัจจะโดยยอมรับว่ามีความเชื่ออย่างนี้มีความพอใจอย่างนี้เป็นต้นอย่าเพิ่งปลงใจว่าอันนี้จริงอย่างอื่นเป็นโมฆะ ข้อนี้คือเมื่อยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเพียงแต่มีความเชื่อก็ควรพูดเพียงว่ามีความเชื่ออย่างนี้อย่าพึ่งยืนยันเด็ดขาดลงไปว่านี่จริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นการสอนเรื่องความเชื่ออย่างดียิ่งในข้อสเรื่องการตรัสรู้สัจจะทรงแสดงถึงการรู้เท่าทันธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความคิดประทุษร้าย และความหลงสดับฟังธรรมะทรงจําไว้ได้มีความอุตสาหะตั้งความเพียรตรัสรู้ปรมัตตสัจจะด้วยปัญญาสําหรับปรมัตตสัจจะก็คือความจริงโดยปรมัตคือจริงแท้ไม่ใช่จริงเพียงสมมุติในข้อสเรื่องการบรรลุความจริงทรงแสดงถึงการซ้องเสพ ทำให้มากซึ่งธรรมะที่ได้สดับได้ทรงจำไว้ได้เหล่านั้นและได้ทรงแสดงธรรมะอันเป็นอุปการะแก่การบรรลุสัจจะมีความเพียรการช่างหรือไตรตรองเป็นต้นตามที่มานบทุลถามมานบทุนสันเสริญพระธรรมเทศนายอมรับว่าเคยนึกดูหมินสมณะมาก่อนแต่พระผู้มีพระภาค ทำให้เกิดความรักความเคารพในสมณะแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต